ใช้เรียกวันวิสาขบูชาก็เพราะเป็นวันที่พระทุเจ้าประสูติตัสรุปรรนิพานส่วนวันอาสารบูชาเรียกว่าวันพระธรรมก็เพราะว่าเป็นวันที่พระองค์ได้แสดงปฐมเทศนาหรือว่าธรรมจักกะปตนะสูตรในเวลาสามวันนะวันวิสาขบูชาก็ถือว่าสำคัญที่สุดอันนี้วันวิสาขบูชาที่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 จะหนีความจริงข้อนี้ไปได้อย่างไรพระวันวิสาขบูชาก็เตือนใจให้เราระ ล, ลึกถึงสัจธรรมที่เราทุกคนต้องประสบเมื่อเกิดมาแล้วนะก็ต้องตายในระหว่างนั้นก็ต้องเจอความทุกข์เจอความแก่ความชาราความเจ็บป่วยความพัดพลาดสูญเสียล้วนแต่เป็นความทุกข์ทั้งสิ้นแต่ว่าการที่พระเจ้า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 มนุษย์เราสามารถจะค้นพบทางออกจากทุก์ได้และอันนี้นะก็ควรจะเป็นจุดมุ่งหมายหรือปณิธานของพวกเราชาวพุทธอันนี้ก็เป็นแก่นธรรมอย่างหนึ่งนะที่เราควรจะได้ตรหนักเมื่อเราลึกถึง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 อันนี้ถือว่าเป็นจุดมุ่งหมายที่ชาพุดเราควรจะมีแต่ว่าคนส่วนใหญ่นะไม่ค่อยได้ตระหนักถึงข้อนี้เท่าไหร่นะจุดมุ่งหมายในะชีวิตข อ, องคนส่วนใหญ่ก็มักจะหนีไม่พ้นนะเรื่องความร่ำรวยความมั่งมนะีความสำเร็จทางโลก ค, นะความมีอำนาจวาสนาบารมีซึ่งก็เท่ากับว่า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 บางครั้งเหตุการณ์บ้านเมืองก็แพ่ผันค่าเงินตกทรัพย์สินก็ราคาลดพั่งพุ้นก็ตกก็เศร้าโศกเสียใจนั้นถ้าเราเอาสิ่งเหล่านี้เป็นจุดมุ่งหมายของชีวิตแล้วนะมันก็หาความสุขได้ยากก็ยังหมุนวนอยู่ในความทุกข์จารตัดสิน ข, ของพู้เจ้าเนี่ยนะได้ ได้ทำให้เราได้พบความจริงว่าสิ่งเหล่านี้นะเงินทองชื่อเสียงวัตถุมันไม่ใช่เป็นสารณะของชีวิตนะมันมีสิ่งอื่นที่ประเสริฐกว่าเพราะว่าสิ่งเหล่านี้นะล้วนแล้วแต่ล้วนแ ล, แล้ว แ, ลแต่ตกอยู่ภายใต้ความไม่เที่ยงนะอันนี้จังมันแฝงไปด้วยทุกข์อยู่ตลอดเวลา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 ที่ว่ามันี่เป็นฝันดีนะแปลว่าพระองค์เนี่ยจะตัดสรุปพระสัมมาสัมพุทธิยานเพราะว่าการที่คูดอุจจระไม่แปดเปื้อนพระองค์ทั้งทั้งที่เดินย่ำลงไปนะบนภูเขารูปนั้นก็แสดงว่ากามาสุขหรือว่าโลกธรรมนั้นเนี่ยจะไม่แปดเปื้อนพระองค์ก็คือเป็นอิสระ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 ก็คือช่วงระหว่างตี2อถึง6โมงแต่ก่อนที่พระองค์จะตัดสรุ้นะพระองค์ก็ได้ทำความเพียรด้วยการตั้งจิตอธิษฐานพระพุทธเจ้าหรือเจ้าชายสิทธัตถานี้ก็ใช้เวลาถึง6ปีในการทำความเพียรไม่ประสบความสำเร็จแต่ในคืนที่พระองค์จะตัดสรุนั้นพระองค์ก็ตั้งจิตอธิษฐานไม่ได้ขอ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 บำเพ็ญสมาธิภาวานาพระองค์ตั้งจิตอธิษฐานว่าอะไรพระองค์ก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าณแม้เนื้อและเลือดในสรีระของเราจะเหือดแห้งคงเหลือแต่หนังเอ็นและกระดูกตาใดที่เรายังไม่บรรลุพระสัมมาสัมพุธิยานก็จะไม่ลุกจากบันลังนี้นนี้เป็นคำเป็นความตั้งมั่นของพระพุทธองค์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 ไม่ได้ตั้งเกียติษฐานอย่างที่พระพุทธองค์นะได้ทรงทำเป็นแบบอย่างนะพวกเรานะถ้าจะแม้เราจะมีจุดมุ่งหมายของชีวิตที่จะมุ่งหลุดพ้นจากความทุกข์แต่ว่าก็ต้องมีความเด็ดเดี่ยวแน่วแนนะ่ไม่ยอมแพ้กับอุปสรรคง่ายๆแล้วการปฏิทินทางพู้เจ้านะใน คืนนั้นนี่ในเย็นนั้นเนี่ยให้เราระลึกนึกถึงว่าอยู่เสมอเพื่อว่าจะทำให้เกิดความเด็ดเดี่ยวแน่วแน่นในการบาเพ็ญธรรมอย่าย่อท้อต่อประสาทง่ายๆที่จริงในคือที่ในวันที่พระเจ้าประนิพนธ์ น, นะก็มีธรรมะสำคัญ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 ให้เกิดความไม่ประมาทขึ้นหลายคนก็ก็รู้ว่าพระเจ้านะปรินิพพานในวันนี้ <c oughs> แต่อาจจะลืมไปว่าพระองค์ได้มอบมรดกมรดกพรรมให้กับชาวพุทธอย่างไรบ้างมรดกของพูะเจ้าก็มีสั้นๆเท่านั้นเนี้ยก็คือเตือนย้ำให้เราตระหนักว่า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 แต่ขณะเดียวกันในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ควรตั้งจุดมุ่งหมายของชีวิตให้เป็นไปในทางที่ประเสริฐเป็นไปนะเพื่อการหลุดพ้นจากความทุกข์ที่จริงสิ่งที่พูะเจ้าตรัสรู้นะมีมากมายนะแต่หัวใจสำคัญก็คือว่าการตรัสรู้นะในเรื่องอริย ส, สัจ4ี่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 ท่านใช้คำว่าขันไม่ใช่คนแล้วลึกได้ถึงขันที่เคยอาศัยในอดีตนะยามสองนะก็คือ4ทุ่มถึงตีสองนะพรงก็บังเกิดยานที่เราจุดตูปปาปาตยานคือการเห็นถึงการดับและการเกิดของสัตว์ทั้งหลายอันนี้ก็เรียกว่าเกิดทิพ ย, ยจกักรสูก็ว่าได้ยามสามคือยามสุดท้าย นะตีสองถึงหกโมงเชา้ายานสำคัญก็คืออาสวะขย้ายานอาสวะขย้ายยานเ อ, อยานที่ทําให้หลุดพ้นจากอาสวะอาสวะคือกิเลนนั่นเองนะที่หลุดพ้นเพราะอะไรก็เพราะเห็นความจริงนะเห็นความจริงที่เราเรียก ง, ง่ายๆว่าอริยสัจสรู้ว่าทุกข์คืออะไรทุกข์เกิดจากอะไรและทุกข์จะดับไปเพราะอะไรและหนทางในการดับทุกข์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 เวทนาตันหาอุปทานพบชาติชรามรณะแล้วค่อย ถ, ถึงเกิดทุกข์ขึ้นมาทุกท ร, รมานัดอุปาญาต์พระองค์พิจารณากระบวนการเกิดทุกข์ว่าทุกข์เกิดจากอะไรก็เห็นเป็นขั้นตอนอันนี้ก็เรียกว่าสมุดไทยแลว้วะองค์ก็พบต่อไปว่าทุกข์จะดับไปเพราะอะไรนะก็เริ่มต้นตั้งแต่ อ, อ, อวิชชาดับสังขารดับปัญญาณดับนามารูปดับ สลายญาดับผัสสะดับเวทนาดั บ, ด บ, ดบมันก็ทำให้ตันเาประทานพบชาติชร า, ามรณะดับไปด้วยนะนี่เรียกว่าเห็นกระบวนการดับทุกข์และจะทำให้กระบวนการดับทุกข์เกิดขึ้นอย่างไรนะอันนี้แหละก็มักมีองแปดอันนี้คือสัจธรรมนะความจริงที่ถ้าเราศึกษาเพิ่มเติมก็ควรจะเข้าใจเพราะว่าแม้เราตั้งใจว่าเราจะบำเพ็ญเพียร เ, เพื่อการดับทุกข์